แล้วเขาก็จัดการสะพายไว้กับหลังของตนเองสุภาษิต ท, ที่ว่าอย่าหวังน้ำบ่อหน้ามาจากการเดินในป่านี่เองเราเดาไม่ได้ว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นการไม่ประมาจจึงเป็นการดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่สังเกตมาคุณหญิงหิวน้ำอยู่บ่อยๆด้วยหล่อนมองดูเขาด้วยแววตาซาบซึ้ง ฉันรู้ว่าฉันไม่ตายตั้งแต่พบคุณแล้วเราไปกันหรื อ, อยังล่ะแทนคำตอบแล้พินส่งมือมาให้ดาดินจับมือเขาเหนี่ยวกายขึ้นยืนพรานใหญ่ตัดไม้ไผ่รำขนาดข้อมือมาอีกรำหนึ่งยาวประมาณวาเศษจัดการเสี้ยมปลายในลักษณะปากฉรามเพื่อใช้แทนแหลนถือติดมือไปด้วยซึ่งเขาอธิบายให้หล่อนทราบว่าในการเดินป่าไม่ควรเดินมือเปล่า อย่างน้อยที่สุดมีห อ, อกติดมือไว้สักลีมก็ยังดีและห อ, อกก็สามารถจะหาได้ง่ายๆในป่าเหมือนเช่นที่เขาถืออยู่นี้หล่อนหัวเราะอารมณ์ขันเกิดขึ้นขณะที่เดินเคียงมาข้างๆคราวนี้คุณก็กลายเป็นตาพานบุญไปแล้วสิเพราะถือห อ, อกพานบุญต้องมีหน้าไม้อีกอันหนึ่งแต่นี่ผมไม่มีแล้วทั้งสองก็หัวเราะให้แก่กัน จอมพรานนำเดินขึ้นป่าเนินโดยบอกให้รอนเข้าใจว่าตัดเนินสูงนี้ลงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพบแนวฝั่งลำธารต่อเหนือขึ้นไปและจะยึดเส้นทางนั้นเลาะเลื่อยขึ้นไปตามลำดับป่าบางแห่งก็เดินเลาะเรียบทาน้ำได้บางแห่งก็ตกวกต้องวกอ้อมไปบ้างเพราะบริเวณริมฝั่งเป็นป่าลกทึบเกินไปใครอยากจะรู้จักสภาพของป่าที่แท้จริง ก็ต้องลองหลงป่าอย่างนี้แหละไม่ใช่มาเที่ยวป่าโดยการนอนแคมป์เดินทางด้วยเกวียนช้างหรือรถยนต์แล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบก่อนที่ผมจะมาเป็นพรานอาชีพยอย่างนี้ผมก็หลงป่าเสียจนไม่หลงแล้วขนาดบางทีหาอาหารอะไรไม่ได้เลยก็ต้องก็ต้องพึ่งข้าวลิงเขาชวนคุยทั้งทั้งที่ตามปกติแล้วคนคนนี้ไม่เคยพูดอะไรมากไปกว่าความจาเป็น โดยเฉพาะกับหล่อนดาลินเริ่มมีอารมณ์ผ่องใสขึ้นเป็นยังไงข้าวเรียงฉันได้ยินคนเขาพูดกันมันนักต่อนักแล้วแต่ไม่เคยรู้แน่สิทธีก็ใบไม้หรือผลละไม้ตามแต่จะหาได้ยังไงล่ะครับหลอนพยักหน้าและหัวเราะผลละไม้หนะ้าพอไหวหรอกแต่ใบไม้จะกินเข้าไปได้ยังไงเฮ้นายพานตาคมกริบของพานใหญ่สอดสายไปรอบด้านในขณะที่เดิน ปากก็คงคุยอยู่เป็นปกติเพื่อหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งเพลิดเพลินมีกําลังใจเดินคนเรารงหิวข้าวไหวหรือไม่ไหวมันก็ต้องไหวนั่นแหละครับแล้วนี่เรามีหวังจะต้องกินข้าวลิงอย่างว่านั้นกันไหมเห็นจะไม่หรอกครับตราบใดที่คุณหญิงมีปืนติดตัวอยู่ด้วยมีหนําซ้ํายังยิงได้ราวกับจับวางเช่นนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วจะเรียกว่าเราหลงป่ากก็ไม่ถูก เพราะผมไม่ได้หลงมันเป็นป่าอะไรอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนผมก็รู้เพียงแต่ว่าเราหลงพลัดจากพวกของเราเท่านั้นแล้วก็ขาดอุปกรณ์ในการดำรงอยู่ในป่าไปบ้างป่านี้ไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นยังไงบ้างหล่อนเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาอีกทำใจดีๆไว้เถอะครับผมอยากจะเชื่อว่าพวกเราทั้งสี่คนคงจะไม่มีใครเป็นอะไรหรอกอย่างมากก็เสียเวลาหากันหน่อยเท่านั้น เราจะเดินกันนานสักเท่าไหร่ถึงจะถึงที่เราตั้งแคมป์แต่แรกไก่ขันก็ถึงท่อพูดเล่นไปได้คนยิ่งกลุ้มกุ้มอยู่ด้วยดาดินร้องเบาๆผลักหลังเขาจนเซะขมำไปข้างหน้าพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นคุณหญิงลองคิดดูสิว่าระยะทางไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางในป่าทึบกว่าจะไปถึงก็ต้องพรุ่งนี้เดินกลางคืนด้วยหรือเปล่า ถ้าผมเดินคนเดียวก็คงเดินได้แต่นี่คุณหญิงลาจะเดินไหวหรืออีกอย่างหนึ่งเราไม่มีไฟฉายอันตรายมากแปลว่าต้องนอน ก, นกลางป่าเรานอ น, ก, นกลางป่ามาตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งแล้วครับแต่สำหรับคืนนี้มันผิดไปกว่าคราวที่แล้วแล้วมาแน่ๆผิดยังไงคุณหญิงก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วโดยผมไม่จำเป็นต้องพูดดารินถอนใจเฮือกแล้วเราจะนอนกันยังไงที่ไหน ค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นส่วนจะนอนกันยังไงนั้นค่อยพิจารณากันอีกทีผมสงสัยว่าคืนนี้เห็นทีคุณหญิงต้องเป็นนางไม้แน่ๆหมายความว่ายังไงก็ถ้าจะต้องนอนบนต้นไม้น่นสิครับสูงไว้ปลอดภัยกว่าระดับพื้นราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไม่มีไรเฟิลเช่นนี้คุณราคาญไมที่ฉันถามโน่นถามนี่ยุ่งไปหมดไม่ราคาญหรอกดีเหมือนกันจะได้คุยกันเพลินๆ เ, เ, เดินไม่เหนื่อย ผมน่ะอยากจะชวนคุณหญิงทะเลาะด้วยซ้ําจะได้ช่วยให้คุณหญิงมีแรงเดินมากๆดาลินหัวเราะออกมาอย่างถอนเฉีวผักหลังเขาอีกครั้งไม่ต้องหรอกยา่าฉันไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับคุณตอนนี้เห็นหน้ากันอยู่เพียงสองคนแค่นี้ยังคิดจะอยากชวนทะเลาะอีกหรือถึงว่าสินะเสียงตอบมาเบาๆแล้วหลังจากนั้นต่างก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกนอกจากจะเดินไปเงียบๆหล่อนสังเกตเห็นลักษณะการเดินของพรานใหญ่ ผนฟีท้าลงกว่าปกติเคยของเขามากเหมือนจะชะลอให้เกลนหล่อนหลายต่หลายครั้งขณะที่แหวกทางไปในป่ารกทึบเขาดึงหล่อนขึ้นมาเดินเคียงข้างและจับข้อมือไว้ในลักษณะจูงสะกิดหล่อนให้เดินหลบลังต่อป่าตัวขนาดหัวแม่มือที่ทำลังอยู่ในโพรงไม้ดิมทางและกระชากหล่อนให้กระโดดข้ามงูกระปะในขณะที่เดินมุดรอดเข้าไปในราห้วย อากาศในยามสายเริ่มทวีความอบอ้าวขึ้นทุกขณะจนเหงื่อออกชุ่มโชคกายหล่อนขอน้ำกินจากเขาถึงสองครั้งแล้วภายในเวลาเพียงชั่วโมงเศษเศษที่บุก ป, ป่าฝา่าหนาำเคียงข้างกันตลอดระยะทางป่าทั้งป่าสงบเงียบเชียบคงได้ยินแต่จักกระจันเรไรและนกบางประเภทที่ร้องเสียงแปลกๆโดยไม่เห็นตัวเท่านั้นหลายครั้งที่พบด่านสัตว์เป็นทางราบเรียบ แต่ระพินเดินตามทางด่านนั้นไปได้เพียงครั่วเดียวก็วกตัดเขาพงทึบเสียทุกครั้งไปบางขณะต้องใช้มีดที่ติดตัวอยู่ตัดกิ่งไม้แหวกพงออกคุณต้องการลัดทางให้ใกล้ที่สุดกระมังหล่อนถามอย่างสงสัยเมื่อเห็นเขาละจากเส้นทางด่านตลอดมาจอมพรานสันศีษะเปล่าไม่ใช่ลัดทางหรอกตรงข้ามมันอ้อมเสียด้วยซ้าอ้าว ดารินร้องแล้วหลอนก็เข้าใจเมื่อเขาบอกเบาๆว่าเราไม่มีไรเฟิลเราไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่อันตรายทุกชนิดการเดินไปตามเส้นทางด่านมีหวังเดินสวนทางกับมันเข้าง่ายที่สุดและมักจะเจอกันในระยะประชิด ต, ตัวชนิดต่างฝ่ายต่างหลบกันไม่ทันทีเดียวบุกเข้าป่ารกเสียเลยปลอดภัยกว่าเขาอธิบายให้หลอนทราบต่อไปว่าสัตว์ป่าแทบทุกชนิดนอกจากจำพวกงู ตามปกติแล้วมันจะอาศัยเดินไปตามทางของมันที่มีอยู่ก่อนแล้วยกเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินพิเศษอันเกี่ยวกับการพระหนีอย่างกระทันหันหรือการหมายดักเหยื่อเท่านั้นจึงจะซอกแซกเข้าไปในป่ารกเพราะฉะนั้นการเดินโดยไม่ประสงค์จะพบเห็นหรือรเผชิญหน้ากับพวกมันจึงควรเดินเข้าป่ารกอันปลอดภัยมากกว่าที่จะเดินไปตามทางด่านสัตว์มันก็มีถนนสําหรับเดินของมันเหมือนกัน คือทางด่านที่เราเห็นเหมือนทางคนเดินตัดกันไปมากลางดงทั่วไปหมดนี่แหละพวกมันเดินกันอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเกิดเป็นเส้นทางขึ้นราวกับมนุษย์มาทาไว้เราหลีกทางมันไว้ดีกว่าเดินละบากหน่อยแต่ปลอดภัยโชคร้ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ถ้าเรามีไรเฟิลติดมือมาด้วยสักกระบอกเราคงจะอุ่นใจได้มากกว่านี้นะหล่อนคลางออกมาแล้วปีนหัวรอกคว้าก้าาามือหล่อนจูงให้รอดซุ้มไม้ทึบเบื้องหน้าเข้าไปด้วยกัน เพียงปืนสั้นกระ บ, บอกเดียวที่บังเอิญติดเอวคุณหญิงอยู่ก็ต้องนับว่าเจ้าป่าปราณีเรามาเป็นพิเศษแล้วครับผมเคยบอกคุณหญิงแล้วว่าผมเคยหลงป่ามือเปล่าเสียด้ซ้ําเมื่อเรามีปืนพร้อมอยู่ในมือเราเป็นฝ่ายตามล่ามันเมื่อเราไม่มีอาวุธเราก็หลีกหลบมันเสียสําคัญให้เรารู้ทิศทางรู้เชิงมันเท่านั้นนี่ถ้าผมไม่เป็นห่วงคุณหญิงไม่ห่วงกังวลถึงพวกเราอีกสี่คนที่ยังไม่รู้ว่าจะได้รับอันตรายเช่นไรบ้าง ป่านนี้ผมเดินร้องเพลงสบายใจไปแล้วหล่อนชาเลืองมองดูเขาแว บ, บหนึ่งในภาวะคับขันนึกไม่ถึงมาก่อนว่าละพินภัยวันจะเป็นคนมีอารมณ์ดีเช่นนี้ทั้งทั้งที่ยามปกติเขาเป็นคนเครียดขืมที่สุดขืมจนกระทั่งหล่อนหมันไส้ชายผู้นี้เป็นเพื่อนแท้ยามเกิดพิบัติภัยได้ดีเหลือเกินเต็มไปด้วยการปลุกปลอบปกปกักรักษา และไม่กระทำสิ่งใดให้หลอนบังเกิดความท้อถอยขวัญเสียเลยแม้แต่นิดหนึ่งจะร้องเพลงก็ได้นี่ฉันอนุญาตดีเหมือนกันดีกว่าที่เราจะเดินกันเงียบๆอย่างนี้เอร้องเพลงอะไรดีละ่ะก็ตามใจคุณสินิ่งนองนิ่งนองนวนนองนั่นมาเมื่อไหร่หลอนหัวเราะคิกขึ้นเป็นครั้งแรกเพ้อตัวเอากมปั้นฟาดตุ้บลงไปบนหลัง จนอีกฝ่ายหน้าเบี้ยวหลังแอ่คลางอู้ออกมาบ้าเพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงดารินเอ็ดล่านป่าอันเงียบสงบพร้อมกับเสียงเอ็ดอย่างลืมตัวของหญิงสาวก็ผ่านปรากฏเสียงแปลนสะท้านป่าดังก้องขึ้นในหมู่ไม้หนาทึบเบื้องหน้าระยะไม่ห่างออกไปนักกิ่งไม้หักโผงผางแตกอู้เป็นทางตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วดารินพะว้าเข้าไปสู่แผ่นอกอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นโดยไม่รู้สึกตัว ระพินกระชาหล่อนหลบเข้าไปในโปรงไม้ใหญ่ที่มีจอมปลวกสูงบางอยู่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับกระตุกปืนจากซองข้างเอวของหญิงสาวออกมาภูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่งวิ่งเหยาวๆหางชี้ตะลุยเหยียบโพงไม้หักละเนรนาศโผลออกมาจากป่าถล่มด้านหน้าจนแผ่นดินสะเทือนเฉียดผ่านโพรงต้นไม้ที่ทั้งสองหลบอยู่ไปในระยะห่างเพียงไม่กี่วาหูใหญ่ทั้งสองโบกกระพือถี่เร็ว มันวิ่งไปในลักษณะหันหลีหันขวางอย่างหวาดระแวงตื่นตระหนกและไม่เห็นเป้าหมายอันเป็นมนุษย์สองคนที่หลบอยู่แล้วก็เปิดอ้าวปะทะหมู่ไม้รูปเป็นทางขึ้นไปยังอีกฟากเนินป่าเสียงไม้หักโค่นห่างไกลออกไปเป็นลําดับจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นความเงียบสงบตามเดิมระหว่างอกต่ออกที่แนบชิดกันอยู่อย่างทราบถึงจังหวะเต้นของหัวใจแต่และฝ่ายได้หล่อนหลับตานิ่งหน้าผากซพชิดอยู่กับปราด ปลายคางอันสากไปด้วยคราวชีพประจรเต้นแรงเร็วมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อแววเสียงกระซิบข้างหูพร้อมกับลมหายใจอุ่นๆที่รอยมากระทบพวงแก้มมันเปิดไปแล้วมันตกใจเสียงของคุณหญิงหญิงสาวพระออกร้อนเผาไปตลอดทุกเส้นเลือดเมื่ออึดใจใหญ่ที่แล้วเลือดของหล่อนแทบจะจับเป็นก้อนแข็งแต่บัดนี้มันฉีดแรงไปทั่วร่างศบตาแวบเดียวก็เนบนหลบ หน้าเป็นสีสชมพูเข้มฉันฉันนึกว่าเราตายเสียแล้วอีกมันอยู่ตรงไหนกันนี่เสียงกระซิบสั่นพร่มันคงยืนหลับอยู่ในดงข้างหน้าเรานี้เองแล้วก็ตื่นวิ่งออกมาเพราะความตกใจมากกว่าที่จะคิดทําอะไรเราประกอบกับที่มันไม่ทันเห็นเราด้วยสีดอโทนเสียด้วยดีเหมือนกันที่คุณหญิงส่งเสียงเอ็ดเป็นการไล่มันอยู่ทีเดียวถ้าพบการจังหน้าระยะใกล้ๆจะไม่เหมาะนัก เขาพูดด้วยสีหน้าและแววตาเรียบๆดารินทุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงยกมือขึ้นเสยผมรพินซ่อนยิ้มขันๆไว้ในเข่าหน้าปกติส่งบุหรี่ไปให้รอนอีกตัวพร้อมกับจุดให้ดารินรับมาอัดควันลึกเหมือนจะดับความตื่นเต้นอกสันขวัญแขวนเมื่อสักครู่นี้รักโนกับความรู้สึกโอนามานร้ายชนิดที่ไม่อาจเปรนใหญถูกแล้วนิสัยพาโลเก่าๆ ก, ก, ก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะคุณนะสิ ร้องเพลงกวนประสาทอะไรอย่างงั้นก็ไม่รู้หล่อนต่อว่าเครื่องหัวเราะเครื่งกับฟัดกับเฟียดอุบอิบอยู่ในลาคออะไรเพลงกวนประสาทเพลงเข้าออกเพลาะเพะท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยในหนองน้ําแห้งบ้านผมเกิดมาผมก็ไม่เคยร้องเพลงไหนเป็นนอกจากเพลงนิ่งหนองนี่อุตส่าร้องให้ฟังดีๆยังโมโหได้เอาใจยากเหลือเกินหล่อนหันหน้านี้แล้วก็ปล่อยคิกออกมาอีกอย่างกั้นไว้ไม่ได้ ในท่าทางอาการพูดแบบหน้าตายของเขาแม้ให้ตายสิในพานยิ่งอยู่ด้วยกันนานไปถึงจะรู้เช่นเห็นชาติกันขึ้นเรื่อยๆคุณนี่นักยวนหน้าตายตัวโยงทีเดียวนะทีต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ทําเป็นเตะท่าวางเขิมดินนักจะทําให้แทบร้องไห้ก็ได้หรือจะทําให้หัวเราะก็ได้เพย์ทุบายเสียยิ่งกว่าเสือกินคนเสียอีกอยากจะรู้นักว่ายังจะมีพรานนําทางอย่างนี้อยู่ในโลกสักกี่คน แล้ผินชูนิ้วชี้ขึ้นคนเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้ามันเห็นเราปรีเข้ามาเล่นงานจะทำยังไงกันเรื่องเล็กคุณหญิงคงไม่รู้ว่าผมเป็นยูโดเก่าเข็มขัดแดงเสียด้วยนาะจะบอกให้ดารินลืมตาพงนักยูโดสายแดงจะมีปัญญาทำอะไรกับช้างในขณะที่มือเปล่าขัดขาให้เซทุ่มด้วยไหล แล้วล้มคอต่อด้วยหลักของคาเลเต้แค่นั้นเองก็แบนตัดแต่ใครแบนช้างเอ้ยผมบ้าบ้าดับเบิลบ้าเอตตโลอีกแล้วเดี๋ยวก็โผล่ออกมาอีกตัวหนึ่งหรอกในตาของหล่อนเริ่มแจ่มใสอารมณ์ระเรื่อเป็นสุขขึ้นอย่างประหลาดท่ามกลางความทุกวิตกกังวลที่แวดล้อมอยู่พอบุรีหมดตัวหล่อนก็เหนียวแขนเขาขึ้นยืนเอง นั่นกี่โมงแล้วตะวันอยู่ตรงหัวเปะ๊ะวิชาพรานท่านว่าเที่ยงพอดีหล่อนอดหัวเราะไม่ได้มีนาฬิกาที่ข้อมือแต่กลับไปแหนดูตะวันผูกนาฬิกาไว้ทำไมไม่ทราบผูกไว้กโ ก, โก้งั้นเองมันไม่เดินมาตั้งสามวันแล้วอ้าวทำไมล่ะมันเป็นนิวมเนียปอดบวมเพราะถูกน้ำฝนนี่ยังมาถูกน้าเมื่อคืนนี้อีก ทุเร่จริงถึงว่าสิยี่ห้ออะไรบูโรทั่งแมตติกจังเกิลมาสเตอร์แล้วทนใส่มันให้หนักมืออยู่ทําไมถอดขว้างหัวลิงไปซิเถอะถอดคว้างหัวลิงแล้วจะเอาที่ไหนใส่กลับไปถึงกรุงเทพแล้วจะให้ใหม่อย่าหลอกกลับไปถึงกรุงเทพพี่ครานจะลืมไม่หลอกส่จริงๆเอาทิ้งก็ทิ้ง ว่าแล้วเขาก็ปลดนาฬิกาข้อมือออกขยับจะคว้างทิ้งตามคำสั่งของหลอนโดยดีดาลินตะคุบข้อมือข้างนั้นไว้แย่งนาฬิกาไปดูมันตายจริงๆรหลอนพิจารณาดูยี่ห้อแล้วตั้งเข็มไขล า, านมันไม่ยอมเดินเอาเลยหญิงสาวหัวเราะลั่นออกมาอย่างปรงอ น, นิจจังโถเอ้ยเสียแรงเป็นถึงในพรานใหญ่ใส่นาฬิกาเดินป่าไปเกะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ทาไมนะจะซื้อที่มันดีๆหน่อยไม่ได้เหรอ เอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะผมไม่ใช่เศรษฐีนี่อะไรกันดักสัตว์ขายเที่ยวห น, หนึ่งเป็นเงินหมื่นขนาดที่รับจ้างนําทางเรามานี่ก็เกเสียเป็นเงินแสนแล้วแล้วผมไม่ต้องใช้อย่างอื่นที่มันจําเป็นกว่านาฬิกาแพงๆหรือพูดหน่าสงสารแต่ก็ไม่เห็นสงสารเลยจ้างคนให้มาเสี่ยงชีวิตให้ทั้งชีวิตพูดถึงค่าจ้างสองแสนอยู่นั่นแหละราคาชีวิตของรพินภัยวันสอง 0,000 บาท มันแพงนักเลยยอมไม่ใช้สารพัดแม้กระทั่งให้นั่งเป็นยามเฝ้าตอนอาบน้ำหุงข้าวต้มแกงแบกของเป็นทาสพร้อมเสร็จยังตายแทนเสียอีกด้วยถ้าจำเป็นจริงหรือก็รู้อยู่เกลใจแล้วไม่น่าถามจ้างให้มานําทางหรอกนะไม่ได้จ้างให้มาตายแทนแต่ลูกจ้างคนนี้ก็มองเห็นความตายของนายจ้างต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรอก ถ้าอยู่ในฐานนะจะปกปักไว้ได้แม้จะหมายถึงชีวิตของตนเองอย่าว่าแต่ร้ายกาดถึงขั้นชีวิตขนาดน้ำจะสะกิดผิวให้เป็นรอยก็ยังปรารถนาที่จะรับไว้เสียเองชื่นใจก็แค่นั้นเองจะเอาอะไรมากกว่านี้ละ่ะเพิ่มกระจางสิจเจ้าอีกสักเท่าไหร่ตีราคาเป็นน้าใจดีกว่าน้ำใจที่มีปริมาณสักขนาดไหน มันอยู่ที่คนจะให้ต่างหากเรียกร้องเอาไม่ได้ผิดกับค่าของเงินดารินวราลิศเลิกคิ้วน้อยๆเอาลิ้นดุนกับพุ้งแก้มตามีประกายแวววาวคมซึ้งแต่เขาสังเกตเห็นไม่ชัดนักและไม่แน่ใจนอกจากสายตาที่จำเรืองผาดผ่าจะบอกกับตนเองว่าวาราเช่นนี้หล่อนงามประทับใจผิดไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นอึดใจใหญ่ต่อมา หล่อนส่งนาฬิกาคืนให้แขเขาพูดเบาๆว่าเอา้าเอาของของคุณเก็บไว้เถอะฉันพูดเล่นนะที่ว่าให้คว้างทิ้งเสียแปลว่าผมจะไม่ได้ของใหม่เหมือนอย่างที่หลอกไว้ให้ดีใจฉันมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งเที่ยงตรงแน่วๆที่สุดหล่อนเอ่ยแช่มช้าชัดเจนประสานสายตาเขานิ่งพร้อมกับยิ้มพิมพ์พัก ลมป่าพัดเส้นผมงามให้ปลิวสะบัดปริวกระจายอยู่ที่พวงแก้มมันเป็นนาฬิกาเรือนที่มีค่าที่สุดเหนือกว่านาฬิกาเรือนใดสำหรับฉันเพราะมันเป็นนาฬิกาใจคิดอยู่เหมือนกันว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมอบให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถจะอ่านเวลาของมันออกคุณพูดถูกแล้วนาฬิกาเรือนนี้ใครจะเรียกร้องเอาไม่ได้นอกจากเจ้าของจะให้เอง ระพินภัยวันคงไม่มีวาสนาจะได้ดูเวลาของนมริกาเรือนนั้นหรอกหล่อนเฉยทั้งสองออกเดินทางต่อโดยไม่พูดอะไรกันอีกจนคำเดียวหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ผ่านหุบลึกทะลุออกมายังบริเวณลำธารอากาศทวีความอบอ้าวทุกขณะแต่สงัดลมแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกฟ้าเริ่มมืดครึม้มเมฆฝนลอยต่าเสียดยอดไม้สูง แลพียยิงเก้งขนาดย่อมได้ตัวหนึ่งด้วยปืนสั้นขณะที่มันเตลิดตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดระหว่างที่เขาโตลกหนังแร่เนื้อดารินเป็นคนก่อไฟร่อนคล่องแค่พอใช้สำหรับยามอับจนคับขันเช่นนี้โดยไม่ยอมตนให้ตกเป็นภาระของเขาคนเดียวเกินไปนักไม่ว่าพรานใหญ่จะห้ามเช่นไรให้ผมรับใช้คุณหญิงคนเดียวดีกว่าเขาบอกแต่ร่อนสายหน้ายิ้ม เราช่วยกันกลับดีกว่าขึ้นไปอีกอย่านึกว่าฉันจะทำอะไรไม่เป็นเสียเลยในภาวะเช่นนี้แล้วก็ช่วยกันย่างเนื้อกินข้างกองไฟริมทานน้ำอีกมื้อหนึ่งไปตามมีตามเกิดพอให้หนักท้องความยากแค้นกันดานและร่วมอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นสื่อกลางอันดีเยี่ยมสำหรับมนุษย์เราที่จะให้เกิดการยั่งซึ้งและเข้าใจกันได้ดีที่สุด พระราชาก็อาจเป็นมิตรแท้ของยาจกได้ในภาวะเช่นนี้เดี๋ยวนี้หล่อนรู้จักท่าแท้ของชายที่ชื่อระพินภัยวันเท่าเท่ากับที่เขาก็รู้จักหม่อมราชวงหญิงดาดินวราลทธิได้ดีขึ้นหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงสามัญธรรมดาที่เขาเคยเหยียดและหมิ่นน้ําใจขณะที่ช่วยกันย่างเนื้อไว้เตรียมเป็นสเบียงเผื่อสําหรับมื้อต่อไปนั่นเองก็มีเสียงวิ่งสวบสาบประทับพุ่มไม้ แ, แววเข้ามาใกล้จากสัตว์อะไรเช่ น, นิดหนึ่ง โดยไม่ต้องเตือนหรือบอกกล่าวอะไรทั้งสิ้นดาลินกระโดดรุกขึ้นยืนวิ่งเขลบกำบังอยู่ที่โคนใส่ใหญ่ด้วยสัญชาตญาณรวพินเพ่นตามเข้าไปด้วยอึดใจเดียวก็เห็นต้นเหตุอันเป็นที่มาของเสียงวิ่งนั้นมันโผล่พรวดพลาดออกมาจากปากดาลริมห้วยเป็นกวางหนุ่มเขางามลักษณะกำลังตื่นตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งชั่วพิบตาเดียวที่ล่างสีเทาของมันวิ่งปาดผ่านสายตามาให้เห็น กวางตัวนั้นก็กระโจนแผลวตัดดงอีกฟางหนึ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็มีเสียงป่าแตกคึกๆดังอู้มาอีกในเวลาได้เรียกกันจากฝูงสัตว์อีกร้ายตัวหมูป่าฝูงใหญ่ร่วม30ขนาดต่างๆการรวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงพากันวิ่งกระจัดกระจายแทบไม่เป็นขบวนตัดผ่านหน้าไปอีกชนปะทะร้านย่างเนื้อเล็กๆที่รพินทาไว้สาหรับย่างเนื้อเก่งล้มกระจายลง แต่ละตัวเหล่านั้นพุ่งผ่านไปราวกับลูกธนูมองเห็นรานตาไปหมดพวกมันไม่ได้สนใจหรือหันมาเห็นมนุษย์สองคนที่หลบกำบังอยู่ที่โคนสายริมทางผ่านเลยคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเตลิดกันแทบจะไม่รู้ทิศทางฝูงลิงข้างและบรรดานกต่างๆที่หากันกินกันอยู่เป็นปกติพากันส่งเสียงกรูเกลีกยวขึ้นสนั่นป่าวิ่งยวบยาบอยู่บนยอดไม้โกลาหนโอนรมานไปหมด สับพะสิ่งแห่งความวุ่นวายในลักษณะป่าแตกไม่เป็นสามนี้ดังอื้ออึงอยู่ชั่วขณะหนึ่งพรานก็เงียบกลิบสงบราบคาบลงเหมือนเดิมราวกับนัดกันไว้จนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นมาแรงสักตัวก็ไม่ยอมทำเสียงใดๆขึ้นดาดินจ้องตาเขาเหมือนจะถามก็เห็นพรานใหญ่เม้มปากหัวคิ้วขมวดตะแคงหูร ก, กว่าสายตาไป ร, บรอบๆอย่างพยายามจะสำเนียกรหัสป่า สีหน้าของเขาส่อแววกังขายิ่งทำให้ร่อนกระวนกระวายเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นแรงจับแขนเขาไว้แน่นเกิดอะไรขึ้นไฟป่ากันมังรอนกระซิปพรานใหญ่กว่าสายตาไปรอบด้านอัญชอุ่มเขียวไปด้วยใบยไม้สดอันแสดงถึงความชุ่มชื่นของป่าแล้วพยายามสูดกลิ่นสันศีษะเห็นจะไม่ใช่หรอกครับไฟป่าจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ป่าสดชุ่มน้าอย่างนี้ไม่ทันจะขาดเสียงของเขา เสียงประหาชนิดหนึ่งก็แว่วมาท่ามกลางความเงียบสงัดเป็นเสียงกรูเกลียวมาจากดงทึบจากเท้าสัตว์หลายร้อยหลายพันข้างกําหนดทิศ ท, ทางแทบไม่ถูกว่ามันมาจากทางด้านไหนบ้างเพราะเคลื่อนใกล้เข้ามาพร้อมกันหมดทุกทางราวกับคลื่นในมหาสมุทน้ําหนักของฝีเท้าเหล่านั้นไม่ดังหนักแน่นเหมือนกับกีบสัตว์ขนาดใหญ่ประเภทวัวควายกระทิงหรือช้างแต่อาศัยที่มีจํานวนมากทําให้ป่ารั่นไปหมด แล้วคำตอบก็มีอย่างชัดเจนเมื่อแววเสียงเห่าหอนแท้สนันไปหมดจากรอบทิศหมาฝูงใหญ่ทีเดียวดาดินร้องเห็นจะไม่ใช่ฝูงหรอกครับแต่เป็นกองทัพมากกว่าจอมพรานตอบโดยเร็วแงหน้าขึ้นไปบนต้นใสใหญ่ที่หลบกำบังอยู่ขึ้นไปบนต้นไม้เถอะครับเร็วๆมันใกล้เข้ามาแล้วคืนอยู่ข้างล่างมีหวังเหลือแต่กระดูกโดยไม่ต้องเตือนเป็นครั้งที่สอง ดาลินเหนียวแรกใจอันห้อยย้อยอยู่เป็นสายระโยองเหล่านั้นพยุงกายตายขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยมีระพินไต่า ต, าตามคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ความใหญ่โตของพญาไม้และกลุ่มรากกลิ่มโคนต้นที่งอกอยู่ระเกะระกะช่วยเป็นบันไดในการปีนป่ายได้เป็นอย่างดีเพียงอืดใจใหญ่ๆทั้งสองก็ขึ้นมาถึงคาคบตอนหนึ่งกว้างใหญ่พอที่จะคลองตัวพักอยู่ได้มีระดับสูงกว่าพื้นประมาณ20ฟุต พระพินนึกถึงเนื้อที่ย่างเตรียมไว้เป็นสเสบียงติดตัวขึ้นมาได้จึงกไยตัวตายกลับลงมาอย่างพื้นอีกครั้งดาดินร้องเรียกเสียงหลงเตือนไม่ให้เขากลับลงไปแต่อีกฝ่ายโบกมือเหมือนจะไม่ให้รอนกังวลเดินอย่างใจเย็นไปเก็บเนื้อที่ย่างเสียบไม้เอาไว้แล้วพร้อมกับกระบอกน้ําที่ทิ้งอยู่แล้วค่อยๆตายตามสบายกลับขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นายจ้างสาวถือปืนคุมเชิงจ้องมองดูการปนีนขึ้นมาของเขาอย่างกระสับกระส่าย นึกภาวนาให้เขากลับขึ้นมาเสียโดยเร็วพอรพินขึ้นมาถึงหมูป่าฝูงเดิมที่วิ่งผ่านไปทางทานน้ำเมื่อครู่นี้ก็พากันวิ่งกระเจิงย้อนกลับมาอีกอย่างไม่เป็นสัม <c oughs> เหมือนจะพบกับไพยสกัดอยู่ด้านหน้ามันพากันวิ่งผ่านโคลนทรายทางป่าขคั่วอีกครั้งเจ้าตัวใหญ่ๆเขี้ยวงอกขาวสี่ห้าตัววิ่งคุมขบวนอยู่รังท้ายเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวง เสียงเห่าหอนของกองทัพหมาในใกล้เข้ามาทุกทีพุ่มไม้รอบด้านสั่นไหวอยู่ยุ่บยาบอันเกิดจากการที่มันวิ่งผ่านรอดซุ้มไปหมูฝูงนั้นพลูตรงไปทางป่าข้วยยังไม่ทันจะเคลื่อนรับหายเข้าไปหมดสิน้น<ม>ก็แตกกระจายพงะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องลั่นเพนแตกฝูงเอาตัวรอดกันไปตัวรทิตรตางแล้วบาด น, นั่นเองป่าทั้งป่าก็แลเห็นเป็นสีแดงพืชรานตาไปด้วยกองทัพมหา กองทัพหมามรุตยูที่ประดังพรางภูออกมาจากรอบด้านในลักษณะล้อมวงไม่อาจคำนวณปริมาณของมันได้ถูกได้ยินแต่เสียงหาวกันโชคขู่คำรามแซ่สนันอื้ออึงฟังไม่ได้สับและกลงเขี้ยวที่สแยยาวแลสลอนไปหมดเหมือนภาพร้ายแล้วภาพอันตื่นเต้นรละคนสยดสยองก็ผ่านปรากฏขึ้นในสายตาของคนทั้งสองที่อาศัยความสูงของต้นทรเป็นที่หลบภัย ฝูงหมูพากันวิ่งพร่านเพราะไม่มีทางหนีไม่ว่าจะหันไปทางด้านใดพวกมันแผดเสียงร้องอยู่กึกกล้องสนั่นป่าแล้วคนไปกับเสียงเห่าคำรามของหมาถอยรวมกันเข้ามาอยู่ในใจ ก, กลางวงร้อมเจ้าพวกหมานายซึ่งมีจำนวนมหาศาลเป็นกองทัพโดยที่ไม่เคยปรากฏว่าสัตว์ชนิดนี้จะรวมฝูงกันได้มากมายอย่างนี้มาก่อนก็บีบล้อมวงแคบเข้ามา แล้วพู ก, กันเข้าขย่ำหมูป่าฝูงประมาณ30ตัวเหล่านั้นอย่างร้ายทารุณผงคลีและใบไม้แตกกระจายครุ้มเป็นฝุ่นกลบไปทั้งป่าหมูป่าตัวใหญ่ๆที่มีเขี้ยวยาวแหลมคมเป็นอาวุธเริ่มพุ่งเข้าสู้อย่างตนต่อกขิดเจ้าหมาวายร้ายเหล่านั้นกระจัดกระจายไปอุตตรุษอย่างไวร้ายแต่แล้วพวกมันเพียงไม่กี่ตัวเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานกองทัพหมาหิวนับร้ย้อยตัวเหล่านั้นได้ มันสู้อย่างทรหดได้เพียงไม่กี่อึดใจก็ถูกกลุ่มกัดล้มลงกับพื้นเครื่องในถูกกัดกระชากล้วงออกไปก่อนต่อจากนั้นส่วนต่างๆของมันก็ถูกแบ่งแยกออกไปรวดเร็วอย่างน่าสยองเลือดเขาไปกับฝุ่นสาดนองไปทั่วฝูงหมูทั้งฝูงไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยถูกล้อมวงสังหารและกัดกินทั้งเป็นโดยไม่มีตัวใดรอดไปได้เลยจากเจ้าพวกหมาหิวที่มีจานวนมากกว่าหลายเท่า มันล้อมสังหารเหยื่อกันตรงนั้นและมันก็แย่งกันฉีกเนื้อขย่ำกินตรงนั้นอย่างสดสดร้อนๆ้อนหมูบางตัวร้องอย่างไม่ทันจะขาดเสียงเนื้อก็ถูกกระชากหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วแม้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์ต่อสัตว์มันก็ไม่มีอะไรจะชวนหวาดเสียวสั่นสะเทือนอารมณ์เท่าสําหรับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ดารินตัวสั่นเทาเกาะกิก่งใสไว้แน่นตาเบิกโพรงมองจับลงไปยังภาพเบื้องล่างอย่างตะลึง ส่วนระพินจุดบุรี่สูบเฝ้าดูความหิวกระหายและดุร้ายทารุณของหมาในฝูงนั้นเงียบๆ เ, เขาคอยระวัดระมัดระวังไม่ให้หนายจ้างสาวลืมตัวเผลอพัดตกงไปเท่านั้นครั้งหนึ่งหญิงสาวยกปืนขึ้นขยับจะยิงลงไปยังกลางฝูงหมาผีดิบเปล่านั้นแต่เขาจับข้อมือไว้สันศีสะไม่มีประโยชน์เสียลูกปืนเปล่ามันอมหิ ท, ทารุนร้ายกาถือเกิน หลอนร้องเสียงสั่นหน้าขาวซีดฉันอยากจะฆ่ามันอย่างน้อยก็สักตัวหนึ่งมันจะได้รู้ว่ามีอำนาจที่สามารถจะฆ่ามันให้ตายได้เหมือนกันไม่ใช่มันเป็นฝ่ายฆ่าเขาอย่างเดียวเขากองสายศีรษะอยู่เช่นเดิมยิ้มปลอบใจป่าก็คือป่าปล่อยให้กฎเกณฑ์ของป่ามันดำเนินไปตามเรื่องของมันเถอะพวกมันกาลังหิวและต้องการอาหารสัตว์ป่าดุร้ายอมหิตหานี้ มันกระทำไปก็เพียงเฉพาะแค่หาอาหารให้อิ่มท้องช่วมือ้อมื้อหนึ่งเท่านั้นดีกว่าสัตว์เมืองส่วนมากเสียอีกสัตว์เมืองในป่าคอนกรีตเอามาหิดโหดเที่ยมกว่านี้มากนักโดยเล่และวิธีการอย่าไปกังวลกับมันเลยครับคุณหญิงเชื่อผมเถอะระวังอย่าเผลอตกลงไปเท่านั้นถ้าไม่ใช่การป้องกันตัวเราเองแล้วอย่าไปยุ่งกับมันหล่อนเม้มปากชะงักปืนลงเพียงแค่นั้นตามการห้ามของเขา เวลาแห่งความสยดสยองที่เห็นอยู่ต่ำตาเบื้องล่างผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีหมูป่าทั้งฝูงก็เหลือแต่กระดูกขาวโพลนกลาดเกลือ่อนแต่จะทำให้หมาในนับร้อยๆตัวเหล่านั้นยุติความหิวโหวยของมันก็หาไม่พวกมันพากันวิ่งพรานแทกกระดูกแล้วสูดดมค้นหากลิ่นต่อไปเหวกับจะคิดว่ายังมีสัตว์ใดในละแวกนั้นพอหลงเหลือให้มันกัดกินได้อีกบ้าง หรือมิฉะนั้นมันก็คงจะได้กลิ่นของมนุษย์สองคนที่หลบภัยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เหนือมันและคิดด้วยความลำพองว่านั่นคือกลิ่นเหยื่ออันโอชะ